บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเรื่องของธาตุที่มีเชื้ออยู่ภายในใจนั้นในกรณีที่ทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่นั้นก็แสดงไว้เป็นนั้นมาก ธาตุต่อไปก็คือโมหธาตุกับอโมหธาตุคือเป็นเชื้อของอกุศลฝ่ายที่เป็นความมืดบอดในด้านสติปัญญากับเชื้อฝ่ายที่เป็นกุศลคือความสว่างความรุ่งเรืองแห่งปัญญาของบุคคลเหล่านั้นลักษณะของโมหธาตุที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้น นแสดงลักษณะอาการไว้ว่ามีความไม่รู้ถึงสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นลักษณะเพราะความไม่รู้ที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นเองกระทำให้ตัวความไม่รู้นั้นปิดบังความจริงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายไว้ก่อให้เกิดเป็นความมืดบอด ในด้านจิตใจของบุคคลผู้นั้นเหตุใกล้เคียงที่ก่อให้เกิดเป็นการเพิ่มเชื้อแก่อมโมหะแก่โมหะธาตุคือการไม่กระทาไว้ในใจด้วยอุบายอันแจบคายยังมีเหตุมีผลเรื่องของสภาวธรรมทั้งหลายนั้นจะพบวปาในส่วนของประสาทสัมผัส คือตาหูจมูกดินกายใจก็เป็นความจริงระดับหนึ่งแต่ส่วนความจริงที่แท้จริงนั้นบุคคลจะต้องมองทะลุถึงเนื้อหาที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรจนสามารถที่จะถ่ายถอนความยึดความหลงในสิ่งเหล่านั้นออกไปได้นั่นก็คือเป้าหมายสูงสุด แต่ลักษณะของโมฆะธาตุที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นสามารถสังเกตได้ในการแสดงออกของเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆว่ามีเชื้อของอะไรมากและเชื้อของอะไรน้อยลักษณะของโมหะคือความไม่รู้เหตุรู้ผลหรือความไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงนั้นในชั้นต้น ก็คือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ถึงความผิดชอบชั่วดีในกรณีนี้ตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้แล้วก็จะพบว่าจะทรงแสดงโดยความเป็นคู่กู่กันเช่นว่าไม่รู้อะไรบาปอะไรบุญอะไรคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นความดีและอะไรไม่อะไรเป็นความชั่ว จึงก็หมายความว่าไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้นั่นเองลักษณะของโมหะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลจึงสัแดงออกมาในเชิงพฤติกรรมคือเป็นการกระทรรมเป็นการพูดในทางที่ไม่รู้ถึงผลสืบเนื่องจากการทำและการพูดซึ่งส่วนมากแล้วก็จะ เป็นการกระทำไปตามแรงดันของกิเลสที่มีอยู่มากซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้น <c oughs> ก็มักตกไปในลักษณะที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิตนเองและแก่บุคคลอื่นในข้อนี้บางครั้งบางคราวทรงอุ ป, ปมาชีวิตในลักษณะนี้ว่าเป็นเหมือนกับกระบือบอดเที่ยวไปในป่า โอกาสที่จะประสบอันตรายนั้นมีมากเหลือเกินแต่บางครั้งก็แสดงในรูปของการขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนจึทรงจำแนกประเภทของบุคคลเอาไว้เป็นสประเภทในระดับของการครองเรียนบคคประเภทหนึ่งนั้นตาบอดหมดทั้งสองข้างซึ่งหมายความว่า ไม่รู้เหตุผลในการดํารงชีวิตในแง่ของการศึกษาสำเน็จ ก, ก็ไม่รู้ทั้งทางคาดีโลกและทั้งทางคาดีธรรมเมื่อเขาไม่รู้ในด้านคาดีโลกก็จะขาดศิละปะวิชาสำหรับเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตในการสแสวงหาทรัพย์ในการรักษาทรัพย์เป็นต้นเมื่อไม่รู้คดีธรรมก็ขาดวิชาอันเป็นแสงสว่าง ที่จทางดําเนินชีวิตของตนให้สามารถละเว้นในเรื่องที่ควรละเว้นประพฤติในเรื่องที่ควรประพฤติก็กลายเป็นความมืดบอดอีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าเอกอาจากักุคือมีตาอยู่เพียงข้างเดียวอาจจะมีความรอบรู้ในทางคดีโลกด้านเดียวหรือในทางคดีธรรมด้านเดียวซึ่งถ้าหากว่ารู้คดีโลกด้านเดียว การ จ, จะเดินไปบนเส้นทางของโลกโดยไม่คำหนึ่งถึงธรรมะการดำรงชีวิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นต้นก็จะมีลักษณะเบียดเบียนประทุสรายทั้งตนเองและบุคคลอื่นแต่ถ้ารู้เพียงคดีธรรมอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะหาความเจริญก้าวหน้าในทางโลกได้ดังนั้นท่านจึงสอนให บุคคลพยายามสร้างความรู้ประเภทที่เป็นทวิจักรุคือตาสองข้างให้สามารถมองเห็นได้ทั้งทางคาดีโลกและทั้งทางคาดีธรรมเอาธรรมมาเป็นหลักนำโลกเพื่อให้ชีวิตของตนเองดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรได้เรื่องของโมหะที่บางเกิดขึ้นจึงเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตราย แม้แต่ในกรณีของความรู้ด้านเดียวดังที่กล่าวแล้วก็จะพบว่าบุคคลมีความเข้าใจสับสนในเรื่องราวต่างๆในส่วนคดีธรรมถ้าหากว่าเขาแตกฉานคดีโลกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาแตกฉานเฉพาะคดีธรรมก็กอให้เกิดความสับสนในด้านคดีโลกส่วนที่จะผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ในฐานะนั้นๆ เมื่อโมหะมีอยู่ภายในจิตใจซึ่งบางครั้งบางคราวเราสังเกตว่าบุคคลเหล่านั้นไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลในการจําแนกแยกแยะสิ่งต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างในกรณีของความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านจนนอนไม่นอนไม่หลับเป็นต้นแล้วก็เพิ่มความวิตกกังวลเหล่านั้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็กลายเป็นอาการทั้งทางกายและทางจิตใจแต่ถ้าหากว่าก็มีเชื้อของเหตุผลและสติปัญญาก็อาจจะสืบสาวถึงลักษณะอาการที่มาของความคิดในลักษณะนั้นและเล็งไปหาจุดที่เป็นผลประโยชน์ซึ่งทุกชีวิตต้องการ โดยตั้งเป็นคำถามในแง่ของกระบวนการของความคิดในเชิงที่เป็นเหตุเป็นผลกันเราก็สามารถที่จะแก้ไขตัวของตัวเองได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปสแสวงหาจากปัจจัยภายนอกเป็นการดูดวงการสะดเดาะเคราะห์การประพรมน้ำมนต์การเสกเปา่าอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าผนท้งหลายนั้นเกิดขึ้นที่จิตใจของตนเอง เหตก็ควรจะมาที่ใจของตัวเองที่ตั้งไว้ในทางที่ผิดที่คิดผิดที่เก็บผิดโดยไม่ดีคิดให้ตลอดสายในเชิงของเหตุผลจะในกรณีของความกัดรุ่มความมีตัวกังวลดังกล่าวนั้นจะพบว่าถ้าบุคคลสืบสาวถึงที่มาว่าอะไรกลุ่มมันมาจากอะไรก็สืบสาวไปถึงต้นขาวของความกรุ่ม ก็จะพบภาษาเหตุนั้นที่จริงก็อยู่ตรงนั้นเองแต่ถูกตัวความกลัดกรุ่มนั้นปิดบังเอาไว้คนก็มองเห็นเฉพาะตัวกรุ่มแต่ไม่เห็นสาเหตุของความกรุ่มโดยก็เพิ่มตัวกรุ่มขึ้นไปกลายเป็นควันที่ปิดบังปัญญาเอาไว้ไม่เห็นเหตุเหนผลแต่ถ้าในจุดนี้ไม่ได้มีโมหะอยู่ คือมีโมหะเจือจางพอสมควรก็จะสืบสาวไปถึงต้นต่อเบื้องล่างได้แต่ก็จะแก้ไขที่ต้นต่อไม่ต้องวิ่งไปหาปัจจัยภายนอกนขณะเดียวกันก็ใช้สืบสาวไปว่ากลุ่มเรื่องอะไรกลุ่มทำไมกลุ่มแล้วได้ประโยชน์อะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าการกระทาของคนทุกอย่าง ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการคิดหรือการกระทํากิจการงานต่างๆก็ตามป้าหมายของการกระทํานั้นอยู่ที่ประโยชน์และความสุขแม้จะหลากหลายในเชิงวิธีการที่จะเข้าสู่ป้าหมายเหล่านั้นแต่ป้าหมายก็อยู่ที่ตัวประโยชน์กับความสุขในชั้นนั้นๆการกระทําทั้งทีเมื่อทําไปไม่ได้ประโยชน์คนก็ไม่กระทํา ร่มทั้งทีไม่ได้ประโยชน์คนก็ไม่กร่มแต่เพราะไม่ยอมสอบถามใจตัวเองมัวแต่ไปสแสวงหาปัจจัยภายนอกเลยก็กร่มกันใหญ่สูญเสียเวลาไปจนถึงบัน t อนสุขภาพกายใจดังกล่าวนี่เพราะอะไรเพราะตัวโมหะมันบังเอาไว้ที่จริงสภาวะทามเหตุผลต่างๆนั้นก็อยู่ภายในใจของคนเพราะมีเชื้อสองฝ่ายดังกล่าวแล้วแต่เมื่อโมหะแกเกิดขึ้นปิดบังไว้มาก ตัวเหตุผลเหล่านั้นก็แสดงตัวเองออกมาไม่ได้จึงไม่สามารถใช้สิ่งแม้ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ลักษณะของโมหะนั้นจึงสำแดงออกมาในรูปการกระทำทางกายทางวาจาที่เป็นบาปเป็นทุจริตด้วยประการต่างๆแต่ในขณะเดียวกันในด้านของความคิดจิตใจเล่า ก็จะออกมาในสองแนวส่วนมากจะเป็นหลักใหญ่อยู่สองแนวได้แก่นิวรณ์ข้อที่สกับข้อที่หก็ออกมาในรูปของความฟุง้งซ่านทัดสายไปของ จ, จิตใจไปโน้นไป น, น, ไปนี้ไปนั่นไปเรื่อยอีกแนวหนึ่งก็ออกมาในรูปของความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจด้วยประการต่างต่างเพราะโมห oh ะที่แท้จริง ได้แก่ความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสีประการและไม่รู้อดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปฏิจจสมุปบาทแต่นั้นความเคลือบแคลงสงสัยความคุ้งสั้นจึงเกิดขึ้นรุ่ม ร, มรุมใจของบุคคลนั้นอยู่ร่ำไปถ้าจะมองถึงต้นเขาที่ให้เกิดเพิ่มเชื้อของโมหะธาตุขึ้นมา ก็ได้แก่การที่บุคคลไม่ยอมใช้เหตุผลหรือไม่ยอมใช้หลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการทําไว้ในใจโดยอุบานแยบคายยิบยกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพินิษพิจารณากันโดยเหตุด้วยผลซึ่งการพิจารณาในแง่ของเหตุผลนั้นอย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของเหตุผลทุกอย่างแกจะเป็นเหตุแล้วกลับเป็นผล ผลจะกลับเป็นเหตุแล้วก็สร้างผลอื่นขึ้นแล้วผลนั้นก็จะเป็นเหตุสร้างผลอื่นต่อไปมีลักษณะทยอยการเหมือนกับลูกขึ้นหรือเหมือนเหมือนการสืบสายสัมพันธ์แห่งส ก, กุลเหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือเหมือนกับ ก, ก, กฎธรรมชาติอื่นๆที่เป็นลักษณะของเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผ ล, นผ ล, herkes, นผลสนับสนุนกันไปหลักโยนิโสมนสิการนั้นบางครั้งบางคราวเป็นการตัดสินอเฉพาะหน้า ซึ่งไม่ได้มองในแง่ของกระบวนการของเหตุผลบางครั้งบางคราวเมื่อทำไปแล้วผลในตอนนั้นก็น่าชื่นชมยินดีแต่ว่าพอตอนสุดท้ายกลายเป็นความทุกข์ยากลำบากซึ่งข้อ น, นี้พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาไ้หลายจุดทุกการดำรงชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยการขาดเหตุผลขาดปัญญาเป็นเครื่องพิณิพิจา เช่นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพต่างๆแตก่กามัวสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยการเล่นด้วยการเที่ยวด้วยการมัวเมาในไบยมุกต่างๆถ้าดูเฉพาะจุดนั้นจริงๆแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานสำหรับบุคคลผู้นั้นแต่ถ้ามองให้ตลอดของกระบวนการแล้วจะพบว่า มีลักษณะของรักสนุกแต่ทุกข์ถนัดเพราะความทุกข์จะเกิดขึ้นหลังจากได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปโดยไร้สาระประโยชน์เช่นนั้นหรือแม้ในการศึกษาประพุทธปฏิบัติก็ทรงเน้นถึงการใช้เหตุผลที่มองโดยตลอดสายเหมือนกันโดยยกตัวอย่างภิกษุสองรูปขึ้นมา รูปหนึ่งเมื่อบวชแล้วตั้งใจศึกษาสำเนียกประพฤติปฏิบัติไม่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปบรรลุผลที่ตัวต้องการอหนึ่งเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นเหนื่อยยากลําบากต้องทรมานร่างกายไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็หาความสนุกสนานด้วยการสนทนาด้วยการเที่ยวด้วยการคุยกันแต่พอถึงจุดหนึ่งเพื่อนกลับเป็นพระอริยบุคคลไป แต่ตัวก็ยังไม่สามารถรักษาศีลให้สมบูรณ์ได้ทรงชี้แจงเห็นว่านี้มันก็เหมือนกับม้าแข่งม้าตัวหนึ่งมีฝีเท้าดีแต่ม้าตัวหนึ่งฝีเท้ากระเพกวิ่งไปก็ไม่ทันกับเขาดังนั้นเรื่องหลักโยนิโสมนสิการที่ใช้นั้นแม้จะจำแนกได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลคือเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษแล้วก็จะต้องมองถึงเป้าหมายให้ได้ว่า มันจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์เพราะบางครั้งแม้จะเป็นความดีก็ตามแต่ถ้าทำไปไม่ถึงดีไม่ถูกดีหรือเกินดีก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาและบางครั้งบางคราวก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเวลาในการที่จะทำสิ่งนั้นในการที่จะพูดสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นในกรณีของคาสัตว์คาจริง ถึงเป็นสัจจะวาจาถ้าเรามองว่า น, นี่เป็นความสัตย์แล้วก็พูดโดยไม่ได้มององค์ประกอบส่วนอื่นๆไปพูดออกไปก็อาจจะเกิดความเสียหายความเดือดร้อนขึ้นมาได้การมองในแนวนี้จึงต้องมองกันหลายชั้นแต่ถ้าหากว่าขาดหลักของโยนิโสมานสิการก็จะประสบความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มปริมาณของโมฆะให้สูงขึ้น แต่พึงเข้าใจว่าเนื่องจากมันอยู่ในจิตด้วยกันแล้วก็มีรากเง้ามาจากอวิชชาด้วยกันเวลาแกเพิ่มอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแกไม่ได้เพิ่มอย่างเดียวแก<ๆ>จะเพิ่มส่วนโลภะธาตุโทสะธาตุตามเข้าไปด้วยหรือกามาธาตุโลโทสะธาตุโมหะธาตุเข้าไปด้วยคราวนี้พึงดูตัวอย่างอาจจะเริ่มจากจุดใดก็ได้ฉันอาจจะเริ่มจากจุดของโมหะ คือความไม่เข้าใจและในที่สุดก็จะเกิดความหงุดหงิดเพราะความฟุง้งเพราะความไม่เข้าใจเหล่านั้นขึ้นมานั้นก็กลายเป็นอาการโทรสะเพิ่มขึ้นก็มีความอยากได้ให้ใครมาชี้แจงมาอะไรให้แก่ตนก็กลายเป็นโลภะติดตามมาหรือบางครั้งบางคราวก็อาจจะเริ่มที่ที่กามธาตุคือเชื่อของกรม อาจจะสะท้อนมาในเชิงพฤติกรรมเช่นเหตุผลก่อนที่กรุงเสียยุทธยาจะแตกเป็นภาพที่สะท้อนได้อย่างเด่นชัดว่าเริ่มต้นจริงๆมาจากกามธาตุคือความมัวมอมหมกมุ่นอยู่ในกามของผู้บริหารทาให้ไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าระหว่างบ้านเมืองกับระหว่างความสุขสนานสวนตนนั้นอะไรสาคัญกว่า นั่นก็คืออาการของความหลงที่เพิ่มขึ้นให้ความสําคัญในสุขส่วนตนมากกว่าพอมีใครกระทําอะไรที่เป็นกระทบกระเทือนใจต่อการต่อการมราคะของตนหรือต่อกามรมาธาตุของตนก็เกิดเป็นโทสะตกลงว่าเพิ่มหมดทุกจุดของาธาตุเนื่องจากเกิดขึ้นอยู่ในจิตเดียวกันและมีเชื้อสายอย่างเดียวกัน แม้แต่พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในชีวิตประจําวันก็มีลักษณะอย่างนั้นเจ้าอาจจะเริ่มมาที่ความโกรธต้องการประทุษร้ายคนอื่นเวลาคนอื่นประทุษร้ายตอบก็เกิดความโลภคืออยากชนะอยากชนะมากข้าวความโกรธเพิ่มขึ้นอยากชนะมากข้าวและในที่สุดก็เกิดโมหะเต็มที่ฆ่าเขาตายเป็นต้นนี่เพราะอะไรเพราะกิเลสนั้นย่อมเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ถ้าหากว่าขาดหลักโจนิโสมนสิการแล้วก็จะเพิ่มทาตุเหล่านี้ขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวแล้วพอความรุนแรงเกิดขึ้นสุดขีดสติที่จะคล้ายใช้เป็นเครื่องเหนียวยั้งเป็นเหนียรัง้งเป็นเครื่องยับยัง้งก็จะมีกำลังไม่พอการแสดงออกก็จะออกมาในรูปทุจริตดังกล่าวในตอนตอน้นแต่ในขณะเดียวกันภายในจิตใจของคนก็มีอโมขธ า, าตุคือความไม่หลงอยู่ ความไม่หลงก็มีลักษณะตรงกันข้ามคือการรู้จักสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงในจุดสูงสุดก็หมายถึงรู้อริยสัจสี่เช่นเดียวกันแต่ว่าโดยหลักทั่วไปก็คือการสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรในสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แต่ปริมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามากหรือน้อยถ้าหากว่าเชื้อของอโมหะธาตุมีอยู่มาก ก็สามารถขยจัดตัวโมหะที่ปิดบังความจริงแห่งสภาวธรรมให้เจือจางออกไปซึ่งหนกรณีนี้ก็สังเกตได้แม้จากจิตใจของเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตเช่นเดียวกันคือคนบางคนที่มีอมโมคะธาตุหรือพื้นฐานของวิชาปัญญาหรือธาตุรู้ที่มีกำลังสูงภายในใจของแกก็จะเรียนรู้ก็จะเข้าใจเหตุผลอะไรได้มาก ซึ่งข้อนี้ก็ทรงจำแนกแสดงในระดับของเชื้อธาตุเอาไว้ได้แก่บุคคลทั้ง4ประกาศ4ีประเภทที่ทราบกันนั้นแสดงถึงอะไรแสดงถึงเชื้อที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเหล่านั้นโดยการมองจากพระยานคือมองในรูปของอินทรีย์มองในรูปของพื้นอัตยาสายัยมองในรูปของพื้นความสงบและพื้นปัญญาที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลเหนั้น จึงทรงจำแนกจากธาตุที่มีอยู่ภายในใจของแต่ละคนว่าความเข้มข้นของธาตุอโมหะนั้นแตกต่างกันคนบางคนพูดนิดหน่อยก็รู้ก็เข้าใจเหตุผลแล้วอย่างว่าเด็กเล็กๆบางคนที่แกมีเชื้อนี้อยู่มากพูดแกสักครั้งเดียวแกเข้าใจแล้วแต่ว่าเด็กบางคนต้องพูดกันจำจี้จำชายเรื่องเดียวเท่านั้นพูดกันตั้งแต่เด็กๆ จนโตเป็นหนุ่มสาวยังแก้ไขอะไรไม่ได้นี่แสดงถึงเชื้อของอมโมหะมีน้อยเหลือเกินแต่มีเชื้อของโมหะแกอยู่มากเกินไปปิดบังตัวสภาวธรรมคือความจริงออกไ้เมื่อมีเชื้อของอมโมหะอยู่มากก็จะก่อให้เกิดเป็นความรู้แจ้งเข็ญจริงในสภาวธรรมทั้งหลาย อย่างในกรณีที่ทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทเอาไว้ว่าอุกติตัญญูคืออาจจะรู้ธรรมพอยกหัวข้อขึอข้นแสดงท่านั้นเข้าใจแล้วที่ภาษารีบุตรกล่าวแก่พระอาตชิว่าสามารถเข้าใจได้เป็นร้อยนัยยะพันนัยยะได้กันพอพระอาตชิกล่าวถ้อยคำเพียงสองบรรทัดเท่านั้นภาษาดีบุตรท่านก็เข้าใจทะลุ ป, ปรุโ ป, ปรง ซึ่งถ้าหากเจอมองให้ซึ้งลงไปก็จะพบว่าแท้ที่จริงคำสองบรรทัดนั้นเป็นการสรุปความจริงในกฎของเหตุผลไว้ทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่ากฎควายเกิดหรือกดควายดับก็ตามซึ่ ง, งกล่าวว่าทามทั้งหลายเกิดแต่เหตุประทถาคตเจ้าจัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ ซึ่งข้อนี้ถ้าหากว่าอาศัยหลักของโยนิโสมนัสสิการเข้าไปเทียบเคียงได้แก่การพิเคราะห์ถึงตัวเหตุและตัวผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุเหล่านั้นมีผลเป็นนั้นมากที่บุคคลไม่ต้องการในขณะเดียวกันก็มีผลเป็นนั้นมากที่บุคคลต้องการแต่ทาไมบุคคลไม่ประสบผลตามที่ตัวต้องการก็เพราะไม่สามารถเชื่อมโยงเหตุกับผลให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน บางครั้งเหตุเป็นอย่างหนึ่งแต่มองผลเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ก็ไปสร้างเหตุที่ไม่ใช่ให้เกิดผลที่ตัวต้องการผลที่ตัวต้องการก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ก่อให้เกิดเป็นความสับสนอย่างที่มักพูดกันว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วด้ดีเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลมองได้ตลอดสาย โดยมีเชื้อของเหตุผลและสติปัญญาเข้าไปกํากับปินิตพิจารณาแล้ว mm. ก็ไม่ใช่มองเฉพาะจุดที่จะกระทําแต่จะมองสืบสาวไปถึงผลที่จะปรากฏเกิดขึ้นในยุคในสมัยของตนและต่อจากยุคสมัยของตนเป็นตน้น mm. ก็จะมีความรับผิดชอบต่อผลในระยะยาวถือสืบสายไปถึงเป็นมรดก ข, ของลูกหลานเป็นตน้น เวลาจะกระทําลงไปอะไรลงไปก็มองได้ในการอันยาวนั้นไม่ใช่มองเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งในข้อนี้ก็อย่างคจิโบราณที่ท่านสอนไว้ว่าให้มองเห็นการยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นคกินการชื่อเวไปรานระงับพระผูกเวนกันข้อนี้จะพบว่าเป็นการมองจากจุดหนึ่งคือการผูกเวนกัน การผูกเวรกันถ้าจะโต้อตอบแก้แค้นกันในที่สุดก็ประสบความพิบัติด้วยกันทั้งสองฝ่ายในฝ่ายที่ถูกทําลายไปก็ชื่อว่าถูกทําลายไปฝ่ายที่ยังไม่ถูกทําลายก็จะถูกคนอื่นก็ทําลายแต่ถ้าหากว่ามองถึงผลในระยะยาวก็จะมองเห็นว่าการผูกเวรหรือไม่ผูกเวร น, นั้นแต่ละคนเกิดมาแล้วก็จะจบลงที่ความตาย หรือใครจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเขาเองวิธีของบัณฑิต ท, ท่านจึงไม่ฆ่าคนแต่ฆ่าความโกรธฆ่าความอยากประทุษรายฆ่าความอยากที่จะทำลายบุคคลอื่นพระมองเห็นผลในระยะยาวแทนที่จะสนองตอบแกอารมณ์ของตนในระยะสั้นๆดังนั้นลักษณะการเชื่อมโยงความคิดในแนวที่สูงขึ้นไปโดยอาศัยเชื้อของอโมหะที่มีอยู่ภายในใจ และเพิ่มพูนขึ้นในปัจจุบันของบุคคลนั้นจึงไม่ได้มองเฉพาะจุดที่ปรากฏแต่จะมองกระจายตีวงรอบออกไปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งทุกลักษณะทั้งสภาวะ ท, ท, ทุกสภาวะของสิ่งเหล่านั้นเป็นการมองในแนวที่เรียกว่าวิปัสนาคือเห็นประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงแห่งสภาวธรรมเหล่านั้นทุกรูปแบบ ซึ่งการมองเห็นในแนวนี้ก็เป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระปัญจวคีว่าขันธ์ห้าที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีคือสรุปแล้วขันธ์ห้ามันก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าทุกการทุกสภาวะทุกลักษณะนั้น ไม่ใช่เป็นของเราไม่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราซึ่งความรู้ความเห็นในลักษณะนี้เป็นความรู้ความเห็นด้วยปัญญาชอบในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงชั้นสูงซึ่งก็เป็นโครงสร้างของความคิดที่จะมองอะไรก็ตามแม้ในชั้นของการดารงชีวิตว่าจะต้องเชื่อมโยงระหว่างการกับการให้ได้ และจะต้องมองเห็นทุกรูปแบบลักษณะของสิ่งเดียวนั้นก็กลายเป็นประทีตที่จะส่องทางชีวิตของบุคคลให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรสร้างประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้แก่ตนเองโดยพื้นฐานในการที่จะเพิ่มเชื้อของอโมคาคือความไม่หลงนั้นก็ได้แก่หลักการใช้โยนิโสปนิติการคือการใช้เหตุผล มองอะไรไม่ได้มองชั้นเดียวแต่ก็มองกันหลายหลชั้นอย่างการณี ก, กลุ่มก็ต้องตอบคำถามไม่ได้ตลอดสายว่าทำไมกลุ่มกลุ่มนั้นมาจากไหนกลุ่มไปแล้วจะได้กลุ่มไปเพื่ออะไรกลุ่มไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็จะหาคำตอบได้หมดซึ่งข้อนี้จะพบว่าอย่างบางครั้งบางคราวนั้นไปดึงเรื่องข้ามทวีปมากลุ่ม ลูกอยู่สหรัฐอยู่เราอยู่เมืองไทยเป็นวงเป็นใ ย, ยอากาศหนาวลูกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ข่าวว่าหนาวมากเหลือเกินซึ่งเมื่อตอบคําถามแล้วเราก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพราะมันอยู่คนล้อส่วนกันแล้วแกก็มีสติปัญญาพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่แกได้เพราะการกลุ่มในลักษณะนี้พอถามถึงประโยชน์คนก็จะเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์เมื่อไม่ได้ประโยชน์ก็หยุดกลุ่มหรือบางครั้งบางคราวแม้แต่ว่า คนไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกันแล้วก็ไปดึงเรื่องราวอาดีตเหล่านั้นเข้ามากระตุ่มถึงถ้าหากว่าอาศัยความคิดในแนว โ, โยนิโสมนัสิการตั้งปัญหาถามขึ้นมาอะไรเพื่ออะไรได้ประโยชน์อย่างไรแล้วคนก็จะหยุดปัญหาเหล่านั้นได้ความสับสนในการสแสวงหาพึ่งพิงปัจจัยภายนอกก็จะไม่เกิดขึ้นจะมีอิสระแก่ตนเองในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่วุ่นวายไม่สับสน นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มเชื้ออโมหธาตุคือความรู้รู้เหตุรู้ผลให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจแต่อย่าลืมว่าเชื้อทั้งสองฝ่ายนี้ก็รับเชื้อเพิ่มขึ้นมาจากประสาทสัมผัสของบุคคลอยู่ตลอดระยะเวลาปัญหาว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลจะเพิ่มเชื้ออะไรมากขึ้นแต่นั้นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแนวสกัดกั้นเอาไว้โดยหลักของอินเียสังวรซึ่งเคยพูดอยู่เสมอว่าเป็นประการสำคัญที่จะนำอะไรเข้ามาสู่ใจต่อต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป